ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดีหรือชั่วต่างคนต่างรับผลกันเองสุภาษิตสอนใจ ประเด็นที่อยากจะแบ่งปันสืบเนื่องมาจาก ค, คุณหมอได้นําเสนอผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งขึ้นมาที่ว่านาน้ําจากแหล่งธรรมชาติมาเปรียบเทียบกันกันกบน้ําประปาและปรากฏว่ายังไงนะคะปรากฏว่าเขาเอาไปทําให้แข็งตัวนะคือแช่เย็นแล้วก็เอาไปส่องกล้องดูนี่ก็พบว่าน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยที่เป็นน้ําบริสุทธิ์นะครับมีการตคกครึ่งเป็นโปรแกรมสวยงามค่ะนะครับ แล้วที่สาคัญ ก, ก็คือว่าเข้าไปเอาน้ําจากห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะน้ากลัน<ะ>่นเนี่ยนะค่ะจากขวดเดียวกันเอามาแบ่งเป็นสองขวดขวดหนึ่งติดฉลากไว้ว่าคุณน่ารักอีกขวดหนึ่งติดไว้ว่าคุณมันโง่หลังจากนั้นเขาก็นําน้ําทั้งสองขวดเนี่ยไปตกผึกเป็นแค่เย็นอีกแล้วก็ไปส่องกล้องดูก็เพราะว่าขวดที่เขียนไว้ว่าคุณน่ารักเนี่ยตกผึกเป็นรูปหกเหลี่ยมเหมือนน้ำอย่างธรรมชาติเหมือนกันค่ะ ในขณะที่น้ำที่เขียนไว้ว่าคุณมันโง่เนี่ยไม่ตกทึกนะครับนี้ก็โยงเข้ามาสู่ตัวของเราเองนะครับว่าคนเรานี่มีส่วนประกอบด้วยน้ำเนี่ยประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเยคร่าวๆตรงจุดนี้เนี่ยก็เลยเห็นว่าตัวเราเองเนี่ยถ้าเราทำตัวเป็นเป้าหรือฮะ ห, หรือว่าทำตัวไม่ดีนะ่ะทำตัวเป็นที่น่ารังเกียจอาจจะด้วยเรื่องของการกระทํา อาจจะได้เรื่องของการพูดแม้แต่ตัวเราเองที่คิดไม่ดีเนี่ยน ะ, ะมันก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยเหมือนการสาบแช่งตัวเราเองหรือว่าในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำดีคนอื่นชื่นชมพูดดีคนอื่นชื่นชมเราคิดดีเราสบายใจสุขใจน้ำในตัวเราเนี่มันก็อาจจะทาให้เรียกว่าก่อให้เกิดผกขึ้นมาได้เฉะนั้นตรงจุดนี้เองเนี่ยเป็นข้อสังเกตว่าทำไม พระครูอาจารย์ที่ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบเนี่ยที่เขาบอกว่าอดีตของท่านเนี่ยกลายเป็นพระธาตุเนี่ยผมว่าอาธิบายไดม้มาพูดกันถึงเรื่องของการสั่งสมกุศลกรรมแล้วก็อกุศลกรรมสักนิดหนึ่งนะคะน่าจะเป็นอะไรที่สืบเนื่องเรื่องเดียวกันกับที่เราได้นำเสนอไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเปิดหัวรายการด้วยข้อคิดข้อธรรมที่ว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดีหรือว่าชั่วเนี่ยต่างคนต่างรับผลกันเองเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาหรือนานมากแล้วก็ได้คนบางคนนะคะคุณหมอไปเข้าใจผิดคิดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปดูสิคะเขาไปคิดอย่างนี้นะคะคุณหมอ<ฆ>คุณหมอก็คงเคยได้ยินเหมือนกัน<ฆ>ใช่ไหมคะได้ยินบ่อยเหมือนกันแต่ว่าผมก็เจะว่าส่วนหนึ่ง แต่การประชดเนี่ยมันก็มีที่มางไงคะคุณหมอว่าทำไมเขาต้องประชดด้วยแล้วก็มาวิเคราะห์กันสักเล็กน้อยว่าที่เราเนี่ยไปประชดชีวิตไปพูดไปเอ่ยว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำช่วยได้ดีมีถมไปเนี่ยเพราะว่าเรามองชีวิตอย่างไม่อดทนที่จะดูผลในระยะยาวหรือว่าเราใช้แว่นสายตาสั้น เราก็เลยมองไม่เห็นสิ่งที่ควรเห็นนะนะคะคอาจจะต้องอาศัยแบนสายตายาวมองชีวิตและความเป็นไปของโลกสักนิดหนึ่งว่าทำดีได้ดีนั้นนะ่มันจริงหรือเปล่าไม่งั้นเขาจะมีคำกล่าวเหรอคะว่าหวานพืชเนี่ยให้หวังผลใช่ไหมคะครับแล้วการที่เราหวานพืชไปแล้วเนี่ยหวานเสร็จวันนี้จะให้ได้รับผลพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไร อย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องรอเวลาสักนิดนึงละค่ะที่ให้ผลนั้นงอกเงยและในระหว่างที่รอเวลาเนี่ยก็ยจะต้องมีการรดน้ำพรวนดินให้ปุย๋ยหรือว่าสร้างเหตุปัจจัยแวดล้อมให้พอเหมาะแก่การที่พืชที่เราหว่านลงไปนั้นจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาได้จริงไม่ใช่คุณหมอในฐนานะคนทําสวนครับใช่เลยนะ <c oughs> ค่ะออต้องมีไม่ได้ต้องทําเหตุให้ถึงพร้อมค่ะ <c oughs> ส่วนผลนี่ จริงแล้วไม่ใช่หน้าที่ของเราค่ะแต่เราคาดหวังผลได้คะคือทุกคนทําความดีด้วยแม้แต่เร่งของการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะเราก็ต้องการถึงผลแต่ว่าความต้องการในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แบบอยากไม่ใช่แบบเร่งนัดค่ะแต่ว่าการกํานึงถึงผลเนี่ยก็คือว่าเราต้องทําเหตุให้ถึงพร้อมกลับมาวิเคราะห์กลับมาทบทวนว่าเหตุอันใดนที่เป็นอุปสรรค เกให้ไม่เกาหน้าเห <c oughs> ตุใดนอที่มันจะทําให้เรามีความเจริญก้าวหน้านะครับแล้วเราก็พยายามละเหตุที่ทําให้จิดขัดพยายามเจริญเหตุนะารที่ทําให้มีความพัฒนายิ่งขึ้นไปเนี่ยให้มากขึ้นค่ะนะครับก็จะทําให้เราเดินทางไปสู่เป้าหมายของเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความอยากค่ะนะครับเราอยากไปก็ทุกไปเปล่าๆนะครับ เป็นเรื่อ ง, องการทำเหตุให้ถึงพร้อมมากกว่าถ้าเราจะลองนึกดูถึงเหตุการณ์ที่ปรากฏรอบๆตัวเรานะคะเอาอย่างข่าวในทีวีก็ได้ค่ะคุณหมอครับข่าวในทีวีที่เรามักจะเข้าบ้านก็เปิดทีวีไม่ว่าจะดูหรือไม่ดูเนี่ยนะคะเป็นนิสัยของพวกเราหลายคนที่ยังติดอยู่เรื่องการดูทีวีเนี่ยเอเราลองมาพิจารณาดูนะคะคุณหมอข่าวบางข่าวเนี่ยซึ่งเรามองกันว่าเป็นข่าวดีเนี่ยนะคะกับ เราเยบเทียบกับข่าวบางข่าวซึ่งเรามองว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะดีเนี่ยนะคะเวลาที่เราดูข่าวดีๆเนี่ยจิตใจของเราก็จะพลอยดีไปด้วยใช่ไหมคะครับแล้วก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกตรงกันเรียกว่าเป็นกระแสเดียวกันก็ว่าได้นะคะในขณะที่ข่าวที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นกระแสเดียวกันไปในทางที่ไม่ดีอายกตัวอย่างให้ชัดขึ้นอย่างสมมุติว่าเรื่องราวของซูนามิซึ่งเป็นเรื่องแรงที่กระแทก ใจิตใจของผู้คนหลายต่อหลายคนในเหตุการณ์เดียวกันในข่าวเดียวกันเนี่ยเขามีทั้งมุมดีแล้วก็มุมไม่ดีด้วยนะคะครับมุมดีก็คือความช่วยเหลือเกื้อกูลของคลื่นมนุษย์ที่เรียกว่าเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายกับข่าวไม่ดีก็คือความเดือดร้อนเสียหายซึ่งเกิดขึ้นอย่างวงกว้างไม่ใช่ทั้งประเทศเราอย่างเดียวนะคะแต่ต่างประเทศอีกมากมาย ในข่าวเดียวกันนี้ยก็มีมุมมองที่เป็นคนละมุมกันแล้วเวลาที่เราดูข่าวเหล่าเนี้ยเราก็จะได้รับความรู้สึกในมุมที่ต่างกันไปส่วนที่เป็นความดีก็จะสร้างเป็นกระแสะแห่งกุศลกรรมส่วนที่เป็นข่าวไม่ดีก็จะสร้างกระแสะของอกุศลกรรมให้เกิดขึ้นในใจเราเหมือนกันถ้าเราได้ซึมซับแต่เรื่องราวดีๆไว้ในใจของเราเนี่ย จิตใจของเราก็น่าจะแตกต่างจากจิตใจของบุคคลที่สะสมแต่อากุศลกรรมไว้ในใจของตัวเองเหมือนกันไม่ทราบคุณหมอมีความเห็นเป็นประการใดคะในส่วนนี้ครับก็จริงๆถ้าเราจะอธิบายจากปรากฏการณ์ที่จากการวิจัยเนี่ยผมว่ามันเป็นไปในทางที่สอดคล้องเดียวกันนะครับค่ะถ้าเราดูสภาพสิ่งแวดล้อมของโลกเราก็จะเห็นว่าทาไมโลกทุกวันนี้มันจึงร้อนขึ้นทุกวัน นะครับหรือว่าสภาพสิ่งแวดล้อมหรือว่าภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนไปมากถ้าเรามองว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบเดียวกับจิตใจของเรานะเพราะว่าตัวเรานี้ก็คือธรรมชาติชนิดหนึ่งนะครับประกอบธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเหมือนกับภูมิอากาศอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนี่สภาะวะจิตใจที่มันมีความแปรปรวนไปมาก นะมีอาคุศรกรรมเกิดขึ้นอยู่มากเพราะว่าด้วยแรงของความโกรธความโลภความหลงนะที่พระพุทธองค์ได้เปรียบไว้ว่าเปรียบเหมือนไฟเนี่ยไฟราคาไฟโมหะไฟโทสะนี่ปรากฏการ์เหล่านี้ถ้าไม่มีเกิดขึ้นอยู่ในหมู่ของประชากรหรือว่าหมู่ของคนไม่ว่าส่วนใดๆในโลกนี้นะครับสังสมกันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลสิ่งเหล่านี้เนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม นะครับสิ่งแวดล้อมมันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวบุคคลมนุษย์คนเหมือนกันหรือว่าสภาพภูมิอากาศที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็จะแปรปรวนส่งไปในทิศทางเดียวกันทีนี้เวลามันเกิดผลขึ้นมาอย่างเกิดซีเนอร์มีนี่ก็อาจจะเป็นผลจากตรงนั้นก็ได้นะเรียกว่าเป็นการล้างบางสักทีหนึ่งเป็นผลลัพธ์ของกรรมรวมๆกันนะครับทีนี้ตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็เป็นผลแต่ถ้าเรามองดูดีๆเป็นผลอะไรสักอย่างหนึ่งในขณะเดียวกันมันก็เป็นเหตุ แรียกว่าผลร้ายเนี่ยอาจจะกลายเป็นต้นต่อของเหตุร้ายก็คือเกิดความเศร้าหมองเกิดความทุกข์ไม่สบายใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นสําหรับผู้ที่สูญเสียหรือว่าผู้ที่รับรู้ในขณะเดียวกั น, ลกนผลร้ายอันนั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นเหตุดีก็ได้สําหรับผู้ที่มองโลกตามความเป็นจริงค่ะทําให้เรามีสติปัญญาพ่อปูนมากขึ้นหรือแม้แต่ว่าถ้าเรามีจิตใจ ที่เราเจริญสติด้วยใจที่เป็นกลางอยู่เสมอเนี่ยความรู้สึกที่เรามีด้วยว่าปรากฏเนี่ยมันก็จะไม่แกว่งไปไปมากตามกระแสะที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นกรรมที่เราสะสมไว้ในตัวเราเนี่ยมันเป็นเชื้อที่มันสืบเนื่องกันนะถ้าเราสะสมอกุศลกรรมไว้ก็คือว่าไม่สึกจิตสุดใจวางจิตวางใจให้เป็นกลางไว้สื่อจากข้างนอกมากระแทกมันก็เชื่อมกันง่ายเ้าเรียกว่าประเภทเดียวกันนะนะค่ะ <c oughs> มันผสมกันรวมกันได้ดีแต่ถ้าเราฝึกจิตสุกสใจไว้วางใจเป็นกลางบวกก็ไม่เอาลบก็ไม่เอาไม่ขึ้นไม่ลงเนี่ยตรงนี้กระแสจากข้างนอกเนี่ยมันจะเชื่อมเข้ามาได้ยากขึ้ น, น่ะผมมองว่าการที่เราสะสมเชื่อไว้ในใจของเรานี่ไม่ไว่าจะเป็นบวกเป็นลบนี่มันล้วนทําให้จิตใจของเราเนี่มันไม่ได้มาตรฐานทั้งคู่อะ่ะอ้าวไปไปมาไกลายเป็นบวกก็ไม่เอาลบก็ไม่เอาเลยเหรอคะคุณหมอครับเพราะว่า เราสังเกตดูว่าไม่ว่าบวกหรือลบเนี่ยมันถ้าเรารู้เข้าถึงความที่เราใจเป็นกลางเนี่ยเราจะรู้ว่าสภาวะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์ค่ะครับมันเป็นความเศร้าหมองชนิดหนึ่งของใจเราเลยละค่ะนะแต่ว่าเป็นความเศร้าหมองที่ถ้าเราดีใจเนี่ยหรือว่าเราพอใจเนี่ยมันเป็นความเศร้าหมองแบบใสๆค่ะเออเป็นความเศร้าหมองแบบใสๆหลวงพ่อเทียนชอบใช้คานี้ครว่าเอาเกลื่นความมืดสีขาว ความมืดนี่นะคะแต่สีขาวครับเป็นความมืดสีขาวเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าอากุศลทั้งหลายเกิดความยินร้ายเนี่ยตรงนี้หรือ ว, ว่าความกโกรธความโมโหพวงนี้เป็นความมืดสีดําค่ะนะในขณะเดียวกันถ้าเกิดใจเราเป็นกุศลเนี่ยนะมีความยินดีพอใจเกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็เป็นความมืดแต่เป็นความมืดสีขาวค่ะนะทีนี้สีดํากับสีขาวเนี่ยมันเป็นภาษาที่มันสะท้อนออกมาจากภาษาจิต ถ้าเราดูใจของเราไม่เป็นเราไม่รู้สึกตัวเราไม่รู้ว่าสภาวะที่จิตใจของเราสะอาดสว่างและสงบมันเป็นยังไงเนี่ยเราจะไม่ค่อยเข้าใจภาษาที่ว่าความมืดสีดำเป็นยังไงความมืดสีขาวเป็นยังไง ค, ความมืดสีดํานี่อาจจะพอเข้าถึงได้แต่ความมืดสีขาวบางทีดูยากถ้าเราไม่เจอสีขาวนี่ก็เป็นสีนะฮะถ้าเทียบกับความใสใช่ไหมฮะถ้าเราดูน้ําเปล่าในแก้วเราสีดําใสานี่มันชัด เอาสีขาวไปใส่ก็ชัดเพราะของเดิมมันเป็นของใสใจเราก็เหมือนกันนะถ้าเราสะสมเชื่อไว้แล้วเกิดมีการเชื่อมต่อกันจากการกระทบจากภายนอกเนี่ยด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความคุณความขาวความใสเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทีนี้ถ้าเราทาความคุ้นเคยกับความใสเข้าไว้เนี่ยเราถึงจะรู้จกักสองคํานี้เป็นอย่างดีนะแล้วเราจะเห็นหนึ่งว่า แม่แต่ความขาวก็ยังเป็นการปนเปื้อนชนิดหนึง่งเราก็จะพยายามพัฒนาจิตของเราเนี่ยไปสู่ความใสนั้นมากขึ้นโดยการมีสติสรมะจัญญะรู้ทันสังขารความคิดนึกปรุงแต่งในจิตใจของเรามากขึ้นตัวมันเองมันเหมือนมันจะแยกกันเป็นตัวมันเองอยู่แล้วฮะตัวว่างกับตัวปรุงเนี่ยมันจะแยกแยกกันอยู่ต้องค่อยๆสังเกตไปนะครับค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องสังเกตแล้วก็เรียนรู้กันไปนะคะ แต่ที่แน่ๆเนี่ยการสั่งสมกุศลกรรมย่อมดีกว่าการสั่งสมอกุศลกรรมนะคะครับแต่ส่วนว่าถ้าใครจะพัฒนาจิตใจให้ก้าวไกลไปถึงขนาดดีไม่เอาชั่วไม่เอานั้นก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะคับจุดหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตคือว่าเราอย่าทำตัวล่อเป้าให้เกิดอกุศลนะคะหมายความว่าอะไรคะเนี่ยอย่างเช่นว่าแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมนะเช่นใส่สั้นนะแต่งแบบ ล่อตาจระเข้ที่เขาว่าเป้าที่พุ่งมาหาตัวเรานี่มันก็จะเป็นเป้าอาคุสอใช่ไหมค่ะหรือใส่เพชรแหววแปาวกระเดิดเนี่ยคนอื่นที่มีเห็นเนียอาจจะมีความอยากเกิดขึ้นค่ะอยากได้หรืออิจฉาเกิดขึ้นค่ะนั้นกระแสะอาคุศลหรือว่ากระแสกุศลเนี่ยบางทีตัวเราเป็นคนสร้างขึ้นมาอมด้วยเจตนาหรือไม่ด้วยเจตนาก็แล้วแต่ต้องจึงให้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังตัวเราเอง ว่าเราจะเป็นสื่อให้คนอื่นเนี่ยเกิดกุศ ล, ลหรืออกุศลเนี่ยได้แม่งเรื่องของการแสดงออกทางกาายด้วยด้วยวาจาคําพูดเนี่ยค่ะเราเองมีส่วนในการสร้างกุศ ล, ลหรืออกุศลซึ่งถ้าเราต้องการให้โลกเราเย็นลงเนี่ยนะเราต้องสร้างกระแสกุศลให้มากๆแต่นี่คนเราถ้าดูจากกระแสของทุนนิยมกระแสของโลกาภิวัตน์เนี่ยมันเป็นกระแสร้อนค่ะสร้างแต่สิ่งที่ เป็นสื่อในการที่ทำให้เกิดคนเนี่ยมีความรม้าร้อนมีความหมกมุ่นมีความเสื่อมทางด้านจิตใจมากขึ้นเนี่มันกระแสโลกงยังเป็นกระแสร้อนอเพราะว่าตที่ส่งออกมามันมีแต่ของร้อนทั้งนั้นฮะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยกันว่าทำยังไงแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยจะทาตัวให้เป็นสื่อนะในการสร้างกระแสร้อนที่ออกมาจากจิตใจจริงๆมันมาจากตัวเราอยู่แล้วฮะค่ะ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดจากคนอื่นด้วยนี่ก็เรียกว่าจะช่วยทําให้โลกเย็นลงน ะ, ะเสริมไปกับการที่เราลดมลภาวะจากการป้องกันเกิดสภาวะเรือนกระจกะทางวิทยาศาสตร์เพ้าว่ากันแต่ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางจิตนี้เราสามารถรับรู้กันได้นะเพราะว่าความร้อนที่เกิดขึ้นในตัวเรานี่ก็ไม่ต่างจากที่คนอื่นเขาร้อนเหมือนกันค่ะครับอันนี้ก็คงไม่ต่างกับที่เราเวลาไปสัมผัสใครบางคนนะคะ เราจะมีความสึกที่แตกต่างกันอย่างถ้าท่านผู้ที่มีคุณธรรมสูงเนี่ยนะคะเวลาที่เราได้ใกล้ชิดหรือได้ไปกราบท่านเนี่ยเราจะรู้สึกเย็นนะคะในขณ ะ, ะที่บางคนซึ่งอาจจะเป็นคนที่เจ้าโทสะสักหน่อยหนึ่งนะคะเราไปใกล้ท่านเราจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ร้อนแบบทั้งทัที่อยู่ในห้องแอร์ก็ยังรู้สึกอึดอัดและร้อนได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ค, คุณหมอเป็นกระแสที่เราสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกของเราเองอะ่ะครับค่ะ ก็ความรู้สึกอะ่รหลครับก็คือตัวจิตที่มันสัมผัสกันได้รู้กันได้ะนะครับก็เป็นของใช่ฮะไม่ใช่ของยึดถือ